بسم ิ اللّه رحمن رحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي نعيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสติความจำเริญจาก Allah س ب ح ا ว ه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้สัาทุกๆท่านนะครับฮามดุริล่าพี่น้องกลับมาเช่นเคยนะครับในช่วงของเวลาแห่งการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับสิ่งที่เราซึ่งเป็นผู้สัตควรที่จะต้องพยายาม ทําความเข้าใจว่า เ, เรื่องของการศึกษาเรื่องของกาอัลกคุรารนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเราทุกคนเราคงจะไม่มองเหมือนในอดีตที่คิดว่ากุรอานนะครับมีเพียงไว้การอ่านอย่างเดียวหรือกุรานมีไว้ในช่วงของเทศกาลต่างๆในการเริ่มต้นงานต่างๆนะครับแต่ให้เรามองใหม่นะครับว่าการุรานคือธรรมนูญนะฮะครุารานคือทางนาและกรุรานคือทางรอดของมวลมนุษยชาติ นะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จะให้เรานั้นได้ได้รู้แล้วตระหนักอย่างชัดเจนนะครับว่าเราทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธานะเราจะต้องพยายามที่จะได้ใช้เวลาแล้วให้เวลากับอัลกุรอานนะครับในช่วงหรือในแต่ละวันนะที่เรามีเวลาถึง24ชั่วโมงนี้นะ มันเป็นการบริหารจัดการการที่เราได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาแล้วนะครับทําอย่างไรให้เรานั้นเอาสิ่งหรือเอาเอาความเมตตาที่พระองค์ได้ประทานให้กับเรานั้นมาบริหารจัดการให้ได้นะครับแล้วก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเน้นเกินทุกๆคนนะครับเพื่อจะได้มีภาคปฏิบัติด้วยแนวปฏิบตัติในทิศทางเดียวกันนะครับ อพี่น้องที่ติดตามในรายการเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับก็สามารถที่จะได้ติดตามรายการการศึกษาเรียนรู้เรื่องอัลกุรอานนั้นอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับวันนี้เราเริ่มต้นนะฮะในสุร์อัลกัสซัสนะครับนะต่อเนื่องเลยนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานอตาลาเริ่มต้นสุร์นี้ด้วยกับตอซีนมีมนะครับเป็นฮุรุฟุลโมกาตัดนที่เป็นฮุรุฟที่ไม่มีความไม่มีไม่มีใครรู้ว่าความหมายคืออะไรนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานอตาลานะครับ ติลก์ออ้างันคือกาบิลมูบินนะเป็นองค์การนะในรรคำอักัมพีอัลกรุรอานเป็นองค์การที่หรือเป็น อ, องค์การต่างๆนะในคมพีอัลกรุรอานที่ชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ เหนะตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ท, ที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน ล, ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเรียกกันว่าไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่มีจริงไม่มีเลยนั่นหมายความว่าทุกคําพูดทุกคําสอนที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน ล, ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีจริงนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่กุรอานได้บอกไว้ว่า ในวันแห่งการตอบแทนหรือผลลัพธ์ของการปฏิบัตินี้จะเจออะไรนั่นก็คือความจริงที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นบรรดาหรือเราทึ่เป็นผู้ศรัทธานะครับเราก็ต้องศรัทธาในคำพิอัลกุรอานที่กล่าวบอกไว้นะครับต่อมานะครับอัลลอฮฺซุบฮานวฮตาลาได้บอกว่านทรอวเลกามินนบะอิมูซาว้วฟิร้าวนบิลฮักิเลานมียุมีนูนเป็นเรื่องนะ เป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้นะในอัลกรุรอานที่บอกกับท่านนาบีสัลลัลลอฮฺวะเปยห์วะสัลลัมเป็นเหตุการณ์ที่กรุรอานได้บอกให้ท่านนาบีได้รู้ถึงเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างใครครับเรื่องของนบีมูซาอะ ล, ลัยฮิสลามกับฟิรา่านที่หลายคนจะเคยได้ยินในประวัติศาสตร์นะเด็กๆนักนะเรียนก็ชอบฟังในเรื่องราวเหล่านี้ นะมีทั้งการตื่นเต้นมีทั้งความอาตามีอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้ไม่ใช่ละครและไม่ใช่หนังอะไรที่เราเข้าใจกันแต่นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างนาบีมูซาอะลัยฮิสาลามกับเฟรอหนะ์ที่อยู่ในยุคเดียวกันและเป็นสิ่งที่หรือเป็นเรื่องราวที่ เ, เรียกกันว่าเป็นข้อคิดให้กับเราทุกคนให้กับอุมมะมุฮัมมัดียะนะฮะว่าเราจะต้อง เอาจุดไหนเรื่องไหนมาเป็นข้อคิดในการที่จะดำเนินชีวิตของเราบิลฮักที่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนครับไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าเรื่องแต่งขึ้นใครอยากจะใส่อะไรก็ใส่ขึ้นมาไม่ใช่นะครับเพราะนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตนะในแต่ละช่วงขั้นตอนที่กุรอ่านได้นำมาบอกกับพวกเราทั้งหลายหรือมีอยุมีนูนนะครับนั่นก็คือเพื่อให้กลุ่มชนผู้ศรัทธาได้มีข้อคิด ได้กลุ่มชนผู้ศรัทธาได้มีความตระหนักนะครับและเข้าใจถึงบริบทเหตุการณ์ที่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงต้องอย่างนี้นะครับมันเป็นอาเขาเรียกวิสัยทัศน์หรือข้อคิดที่จะเกิดขึ้นและมอบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายและกุรอานนะครับอาย่า น, นี้และลิกลมียุมีนูน่นกับประชาชาติกลุ่มชนที่ศรัทธานั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ศรัทธาเราจะมองว่านี่คืออะไรประวัติศาสตร์เรื่องเล่านะฮะ นี่คื อ, อสิ่งที่เอามาเป็นอะไรอ่ะนิทานเล่าสู่กันฟังนะเรื่องเล่าในอดีตนะครับโดยที่ไม่ได้คิดและไม่ได้ไตรตรองแต่ถ้าผู้ศรัทธาแล้วถึงจะฟังประวัติศาสตร์ในอดีตก็สอนจะสอนให้เรารู้แล้วเห็นถึงข้อคิดต่างๆนะครับที่กุปรานได้บอกเอาไว้นะครับอินนะ์ฟิรอาอุนอาลาฟิลอรดนะแทจิงฟิรอานะ เราทราบอยูเ ฟ, ฟ, ฟเอานี่เป็นบุคคลนะฮะบนหน้าแผ่นดินนี้ที่กล้าที่จะเทียบตัวเองเท่ากับพระผู้เป็นเจ้านะดังนั้นเรื่องของเฟรเอาจึงมีหลายมุมมองหลายสถานการณ์หลายเหตุการณ์ที่เราจะได้ยินได้ฟังกันในกุรานที่บางซุราะบางช่วงบางตอนก็หยิบยกในช่วงหนึ่งช่วงใดมาแล้วก็มาบอกกับพวกเราทั้งหลายให้สอดคล้องนะครับกับสถานการณ์นะฮะ อินทรฟิรอเอวนอาลาฟิลอรทจจริงเฟิรออวนั้นหยิ่งพยองโอหังบนหน้าแผ่นดินตอนมีชีวิตอยู่ตอนมีอำนาจตอนมีมวลชนตอนมีทรัพย์ตอนมอีทุกสิ่งทุกอย่างที่เลาประทานให้ไม่มีสำนึกไม่มีการที่จะทบทวนว่าเขาเกิดมาจากไหนอยู่เพื่ออะไรตายแล้วไปไหนไม่มีเขาคิดว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทาให้เขา สิ่งนี้เป็นความสามารถของเขาสิ่งนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของเขานะวะยอัลอาห์ละฮเชียรยสตดอิฟุตออิฟตัมมินหุมยังยิ่งพยองไม่พอแล้วยังได้แบ่งกลุ่มชนที่อ่อนแอแยกเป็นกลุ่มๆนะพูดไงก็ว่าคนในใน ในใต้การปกครองหรือชาวบันิอิสราออลที่อยู่ใต้การปกครองของเขาเนี่ยเน่เหยียดหยามนะกดขี่คมเหงนะถือว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอกลุ่มชนผู้ที่อ่อนแอทั้งหลายไม่ได้เป็นกลุ่มชนที่เป็นผู้นำหรือเป็นผู้ที่บริหารอยู่แ บ, บิหะอบนาอองไวสตาเฮนิสาอาห์มและที่เลวร้ายไปกว่านั้นจากเหตุการณ์หรือจากความหวาดกลัวที่เกิดขึ้น จากการทำนายนะของโ ห, หราศาสตร์ในยุคนั้นจากการทำนายฝันที่เฟียเอาได้ฝันไวนะ้ว่าจะมีเด็กชาวบนณิอิสราเอลจะมาทำลายล้างบัลลังก์อำนาจของท่านด้วยความกลัวตกใจวิตกนะสั่งการให้มีการฆ่าเด็ก ทั้งหมดเลยและทิ้งไว้ก็คือสตรีหรือเด็กผู้หญิงนี่คือความอาธรรมและนี่คือความ เ, าเขาเรียกว่าตกตำ่ำนะที่บันิสรรอีนถูกเขาเรียกว่าย่ำยีเสเราเอาแค่รลแวงกลัวว่าบัลลังและอำนาจของเขา จะถูกทำลายล้างจะถูกยึดจะถูกคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขานั้นะสูญเสียสิ่งที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่เขามีอยู่จึงต้องสั่งการในการที่ทําเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นที่ยังไม่มีใครสั่งการอย่างนี้มาก่อนนะเป็นการฆ่าเด็กที่ไม่มีความผิดใดๆเป็นการฆ่าคนที่ไม่มีเหตุผลใดๆ เป็นการฆ่าแบบไม่เรียกกันว่าไม่ต้องถามไม่ต้องขออนุญาตเป็นกฎบัญญัติที่สั่งให้ทาหารทุกคนได้ได้ปฏิบัติตามและนี่คือความชอกช้ำและนี่คือความ เ, าเรียกกันว่าตกต่ำของบณนีอิสรอเนลที่ถูกกดขี่ดูถูกซซลิมนะอาธรรมแบบไม่สามารถที่แม้กระทั่งอาปากพูดขอได้เลยนะครับ อินนหูการนามินันมุฟซิดีนและอัลลอฮสุบฮานาหัวตาลาก็ได้บอกว่าแท้จริงเชิเอาเป็นผู้ที่ทำให้หรือสร้างความาปั่นป่วนทำลายล้างทำความเสียหายนะจากบรรดาผู้ทิฏามาเสียหายทั้งหลายนะเรียกว่าไม่คำานึงถึงมนุษยธรรมไม่คำานึงถึงความหรือแอษานความดีความช่วยเหลือคุณธรรม ไม่เลยนะครับเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานของการที่จะได้อยู่ด้วยอบัติอนาจบนบอลลังนะครับบนความการที่คิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์เหนือคนอื่นนะครับก็ไม่อยากที่จะให้แม้กระทั่งระแคะระคายว่าใครจะมาล้มล้างใครจะมาทําให้เขาสิ้นอํานาจเขาก็จัดการเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลุม แต่รู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุพานาหูวะตาลาเมื่อให้เนี่ยมัดแล้วให้ความเมตตาแล้วนั่นคือบททดสอบที่เราจะต้องมองและจะต้องพิจารณาว่าเมื่อพระองค์ให้แล้วเราจะต้องทำตัวอย่างไรไม่ใช่อาหางกาแบบนี้ไม่ใช่มาตะกรบดแล้วก็หยิงยาโศว่านี่คืออำนาจและคือนี่คือความสำเร็จแล้วก็นี่คือสิ่งที่เขาพึงและควรที่จะได้รับนะครับ ไม่เคยคิดว่าจะมีใครให้ไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ยิ่งใหญ่ที่จะมาม า, าทําลายล้างเขาได้นะต่อมาครั บ, บรอาลาัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าว่นูรีดว่นูรีดุอันนมุนน่อัลลละดีนัสตูดฟุฟิลอัลก์และพระองค์ต้องการที่จะให้ความเมตตาความโปรดปรานแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอ ความหมายคืออะไรต้องการที่จะให้คนที่เฟิร์ลเอาและทหารของเขาเนี่ยดูถูกดูแคลนเหยียดยม้มนะแล้วก็ทาละทาเรียกว่าทำให้บ ร, ริีอิสราเอลเหมือนไม่ใช่เป็นมนุษย์จะทำยังไงก็ได้ไม่มีความผิดจะทำยังไงก็ได้ไม่มีคำ ว, ว่าคุณธรรมคำว่าอาธรรมไม่เคยเกิดขึ้นในสายตาและความรู้สึกของพวกเขา หมายถึงฟรดเอาและก็ทหารของพวกเขา <c oughs> อยากทำอะไรก็ทำนะแต่อัลลอสุบฮานอตลาได้บอกว่าพระองค์ปรารถนาที่จะให้คนอ่อนแอที่เขาเห็นเนี่ยที่เขาคิดว่าไม่สามารถทำนู่นได้ไม่ทำนี่ได้เนี่ยนะจะอลมออัลลอฮฺมุลวารินพระองค์จะให้คนเหล่านี้ขึ้นมาคนเหล่านี้นั้นกลับมาเป็น ฝ่ายผู้ปกครองคนบริหารจัด ก, การบนหน้าแผ่นดินนี้พี่น้องลองดูครับว่าตรงนี้มันทำให้เราได้รู้ว่าแผ่นดินของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ใครที่มาดูแลนะะเมื่อให้มาดูแลแล้วพระองค์จะดูว่าคุณทำอย่างไรนะมาเทว่ามองคนนี้จะต้องเพราะมีอำนาจเพราะมีเงินเพราะมี มวลชนถึงจะต้องเป็นผู้นำไม่เลยใครก็แล้วแต่ที่พระองค์เลือกให้มาเป็นผู้นำบนหน้าแผ่นดินนี้เราก็ต้องทําตัวให้เป็นหรือทําตัวให้เหมาะสมกับผู้ที่ได้รับเนี้อหมัดและความไม่ตากความโปรดปรานและแน่นอนนะครับอาญาณี้เพื่อให้เซอรอา์และทหารของพวกเขาได้เห็นว่า คนอ่อนแอที่เขากาลังดูถูกเหยียดยันเนี่ยคนอ่อนแอที่เขาคิดว่าคนเหล่านี้ไม่มีศักยภาพในการที่จะมาเทียบเท่าหรืออยู่ในระดับเดียวกับเราเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่สืบทอดและเป็นผู้ที่รับสารต่อในการปกครองแผ่นดินนี้เมืองอียิปต์ที่ในยุคก่อนถือว่าเป็นเมืองหรือประเทศที่เจริญนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ล้ําหน้าใน ในทุกๆเรื่องนะครับมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความทันสมัยนะครับทั้งหมดเหล่านี้ดังนั้นสิ่งนี้แหละพี่น้องเรื่องราวที่กุฎอ่านบอกกับพวกเราทั้งหลายถามว่าถ้าเรามองในเพเป็นประวัติศาสตร์มันก็คือประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเราถ้าเราเจาะลึกลงไปอีกสักนิดหนึ่งจะเห็นว่า ประวัติศาสตร์นี่แหละครับมันทำให้เราได้รู้และเข้าใจว่าไม่ใช่คนที่เก่งหรือคนที่แข็งแรงคนที่ร่ำรวยะจะเป็นผู้ที่ปกครองบริหารจัดการเสมอไปไม่ใครก็ตามที่ทาแล้วอาธรรม ทำแล้วมาอยู่ในร่องในรอยในกฎเกณฑ์ของอบทบัญญัติที่ควรจะเป็นไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมนะยอเลมอาธรรมกับคนอื่นริตรอนสิทธิคนอื่นสุดท้ายก็จะถูกเปลี่ยนให้ผู้อื่นมารับช่วงต่อโดยที่เขาก็ไม่มีความสามารถในการที่จะห้ามปามแต่อย่างใดและขัดขวางแต่อย่างใดนะครับ ว numerina لهم في الأرض ونريا فرعون وهمان وجنونهما منهم ما كانوا يهذرون อายะ์นี้ชัเจนเลยเป็นอายะที่บอกว่าและพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه ูละ ت ع ا ل ก็ได้ให้พวกเขาทั้งหลายครอบครองหมายถึงใครครับหมายถึงผู้ที่อ่อนแอที่บนีที่ฟฟร์เอาได้มองว่าพวกนี้เป็นผู้ที่อ่อนแอเหมือนไม่ใช่มนุษย์ทาเขาเรียกว่า ทำกับบันิอิสราอินเยี่ยงกับสัตว์เดรัจฉานดูแลสุนักของตัวเองหมาของตัวเองดีกว่าดูแลคนในใต้การดูแลก็คือบันิอิสรอีอีกแต่สุดท้ายนะครับองเอลสุภานอหัวตาลาได้บอกว่าแล้วเราได้ให้การปกครองให้พวกเขาได้ได้ครอบครองแผ่นดินคือเมืองอียิปต์นะในความรุ่งโรจน ที่เฟิร์ลอาคิดว่าเขายิ่งใหญ่ที่เฟิร์ลเอาคิดว่าเขาและทหารของเขาและสิ่งที่เขาได้สร้างไว้นี่นะครับไม่มีใครสามารถที่จะมาลบล้างได้จริงได้ให้บรรดาผู้ที่อ่อนแอที่ในสายตาของฟิร์ลเอาได้เห็นว่าคนเหล่านี้จะได้มาปกครองได้มาครอบครองแผ่นดินที่เขากำลังคิดอยู่นะครับ ว่าอยู่ใมิโนมาการูยาฮ์ザรุนนะครับที่พวกเขาทั้งหลายกําลังหวั่นกลัวกลัวว่าจะสูญเสียกลัวว่าจะมีคนมามาเอา่อเขาเรียกแย่งชิงไปอัลลอฮฺ Allah บอกเลยครับว่าจะให้คนที่เขากลัวเนี่ยที่คิดเหตุที่เห็นเนี่ยมาครอบครองมาดูแลแล้วก็มาปกครองให้เฟรเอาได้รู้ให้เฟรเอาได้ทหารของเ ฟ, ร, ฟร็เอาและฮามาน และพลพรรคของพวกเขาได้เห็นว่าความหวาดกลัวของพวกเขาเนี่ยมันเกิดขึ้ น, นต่อห น, น้าจะบอกว่ามีอำนาจก็จริงครับแต่ในใจนะ่ะวันๆกลัวกลัวสูญเสียกวนถูกยึดอำนาจ <c oughs> กลัวถูก เ, เขาเรียกคนลุกคือขึ้นมาเป็นความหวาดกลัวที่อาจจะ ไม่สามารถที่จะจับต้องนะฮะแต่มันเกิดขึ้นกับเห็นจากการพฤติกรรมและการกระทําของพวกเขาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตาล่าให้เฟรอา์และฮามานนะและทหารของพวกเขาทั้งสองนี่นะได้สัมผัสถึถงความหวาดกลัวในขณะที่พวกเขายังมีอํานาจอยู่ในขณะที่พวกเขายังมีอ่าการเรียกว่าการปกครองการดูแลอํานาจ ทหารอำนาจเงินอำนาจการปกครองนะทุกอย่างยังมีครบบททุกอย่างเลยแต่ความหวาดกลัวมันเกิดขึ้นความหวาดกลัวมันเกิดโดยที่ต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วก็ไม่รู้จะทําอย่างไรไม่รู้จะมีขึ้นเมื่อไรอย่างไรระแวงกันทุกที่ระวังกันทุกทุกอย่างทุกสถานการณ์แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนไม่ว่าจะปิดกั้นขนาดไหนที่บอกว่า ค่าผู้ชายทุกคนค่าเด็กผู้ชายทุกคนและเว้นสตรีไว้เนี่ยนะเว้นเด็กผู้หญิงไว้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาพยายามที่จะเขาเลยตัดไฟแต่ต้นลมแต่หารู้ไหมว่าเขาไม่ได้สู้หรือเขาไม่ได้คิดเลยหรือว่าสิ่งที่เขาได้รับไม่ใช่เพราะสิเขามีความสามารถมากแต่อย่างใดแต่เพราะอัลลอฮฺสุบฮานาอุตลาลประธานให้วันนี้ด้วยรำยะโศโอหังของเฟรเอา และหามาลและทหารของเขาทั้งสองเนี่ยเอาจริงได้เขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเหยียบจมูกของเขาเองด้วยจะเป็นอย่างไรเดยพี่ลองติดตามในตอนต่อไปอินชาอัลละ์นะครับอันนี้หมดเวลาแล้วครับสำับอะไรกุ้มมุฮัมมะดสุล์บา ร, รักาตุ